สายที่รออยู่ต่อไปครับเป็นสายของคุณบอยครับคุณบอยมาพร้อมกับประสบการณ์เป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในความทรงจำของคุณบอยเรื่องของเรื่องมันบังเอิญครับส่วนเรื่องเล่าทั้งหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราคงจะมาฟังจากปากคาจากเรื่องเล่า จากเหตุการณ์นี้ของคุณบอยครับแล้วตอนนี้คุณบอยอยู่ในสายกับผมเรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณบอยสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณมากๆฮะที่อ่าให้เกล็ดนะฮะกลับมาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญอีกหนึ่งครั้งได้ครับินดีมากเลยครับโอ้ตอนนี้โทรมาจากแถวไหนคุณบอยเออผมโทรมาจากแต่ป็นนวมินนะครับแถวเกษตรนวมินนะฮะสัญญาณการรับฟังชัดเจนนะวันนี้อ่า ผมดูไลฟ์ ส, สดก็มีกระตุกนิดหน่อยมีกระตุกนิดหน่อยรวมถึวัชับครับ <Okay. S 2> โอเคเดี๋ย ว, วจจแจ้งคุณผู้ฟังนิดหนึ่งสําหรับท่านไหนที่ฟังผ่านแอปพลิเคชันนะฮะดูเหมือนว่าตอนนี้แอปพลิเคชันน่าจะเต็ม น, นะที่เข้านะตอนนี้เนี่ยคือเข้าไม่ได้แปลว่าเซิร์ฟเวอร์เต็มเรียบร้อยนะเพราะว่าอตอนนี้เฉพาะในไลฟ์สดเนี่ย ม, มันมันมันพันกว่าแล้วนะตรงนั้นน่าจะไปนแน่นอนเออมาว่ากันถึงเรื่องนี้ฮะเราไม่ได้คุยกันกี่สัปดาห์แล้วครูบอยออประมาณ สองสองสัปดาห์เนาะโอ้นะครับช่วงนี้ก็ากำลังวุ่นวุอยู่ด้วยอ้ยนะคะถ้ามีเวลาว่างก็เนี่ยเราก็มานั่งแชร์นั่งคุยประสบการณ์กันทีนี้มาถึงประสบการณ์ของคุณบอยที่บอกว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในความทรงจําอีกหนึ่งเรื่องเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องมันบังเอิญนะฮะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับคุณบอยมันบังเอิญเป็นยังไงครับเรื่องนี้ ผมจะเริ่มต้นอในช่วงเนี้คือผมยังอยู่ในในการทรังกานเกี่ยวกับกัรทําจักบวกอยู่นะฮะบังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยคือว่างแล้วได้รับการติดต่อจากป้าของเพื่อนอือคือเขาคิดถึงพวกเราฮะแล้วเราก็ติดกันเขาบอกว่าอืนานๆมาเยี่ยมป้าบ้างป้าคิดถึงโอเคเราก็ยกขยงกันไปบ้านป้ากันโดยที่ป้าเขาก็รู้ว่าเราเนี่ยกําลังทําเกี่ยวกับ การกำจัดแมลงอะไรอย่างเงี้ยอืมนะฮะเขาก็เลยให้เราบอกบอกบ้าให้เราไปช่วยเอาอุปกรณ์มาด้วยนะเครื่องอบไรอยากจะใช้สอยอะไรตรงนี้ไปด้วยอืมนะฮะอันนี้เราก็เข้าไปให้บังเอิญว่าตอนตอนที่เราเข้าไปเนี่ยคือบ้านอผมผมต้องอธิบายก่อนว่าบ้านป้าของเพื่อนเนี่ยเป็นลักษณะบ้านเดี่ยวนะฮะคือมีรู้วกั้นแต่ละบ้า น, แ ล, านและแต่ละบ้านเนี่ยจะมีสนามหญ้าเล็ก อือยู่ติดกับกำแพงฉะนั้นการที่จะคุยกันระหว่างบ้านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเรื่องยากเลยคืออยู่เขาหากันได้ไอ่ปัญหาหรือว่าน่าจะเป็นแค่ระดับประมาณหน้าอกถูกต้องครับเหมือนบ้านผมเหมือนบ้านผมอ่าโอเคในท่าออกแต่จะเป็นบ้านเดี่ยวที่เป็นที่เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นมีพื้นที่เยอะหน่อยนนคะะี้ก็เข้าไปแล้วก็คุยกันนะให้มีสัมภาษณ์ให้เละกันไปเรื่อยมาต่างนานาจนป้าเนี่ยดีๆเขาชุด แล้วเขาก็เล่าเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะเขาบอกว่าเนี่ยพวกเธอรู้ไหมบังเอิงมาค้างบ้านเนี่ยมีคนเสียอืออ่ามีคนตายผมบอกอุ้ย้ามาเล่าอะไรเงี้ยคือมันไม่น่าเป็นเรื่องที่จะมาเล่าต่อๆกันถูกป่ะใช่ใใช่ครับป้เป้าอยูดีๆมาเล่าเลยโอ้ไม่เกิเห็นพวกเธอนี้ไปทํางานอย่างนี้แล้วก็เจออะไรมาเยอะๆป้าก็อยากจะมาเล่าให้ฟังหนเหมือนกันค ผมว่าโ อ, โอเคก็ก็ ก, ก็ก็ได้ไม่มีปัญหามันมันมั น, นมันเป็นยังไงบ้างอะไรเง<ม>ี้ยอ่าเขาก็เล่าว่าข้างบ้านเนี่ยเ อ, อมีผู้หญิงคนหนึ่ง<ม>ซึ่งเข้าแต่งงานกับผู้ชายนะคะแล้วเขาอยู่เป็นครอบครัวคือ<ม>ยังไม่มีลูกมาแล้วขเขาแต่งงานกันแล้วอผู้ชายคนเนี้ยเขาหนีหายไปอด้วย<ม>ความที่แต่ว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาเขารักสามีเขามากแล้วเขาทอมใจจนสุดท้ายเนี่ยคือเขาผูกขอตายเลยว่าครับแล้วผมบอกว่าโอ้ยผูกคอตายเลยหรอ แล้วเรื่องน้มันานอะไรอย่างป้าบอกว่าเึ่งเก็บศกไปเมื่อสามวันที่แล้วเฮ้ยมันไม่นานมันสดสดร้อนรมากเลยนะใช่ครับมันบังเอิญมากเลยที่ผมเขาลุกผมเข้าไปแล้วไปเจอคแบบมนตรการแบบนี้อ้โอ้โอฮะผมก็บอกว่าป้าครับถ้าอย่างนั้นผมขอกลับเลยได้ครับอือป้าก็บอกว่าไม่มีอะไรก็ป้าก็อยู่อยู่ทุกวันเขาก็ไม่ไม่มาหานะทั้งที่ก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่เขาเขาจะถูกขอตาย เขาเสียไปเนี่ยคือป้าก็เป็นห่วงแล้วคนรู้จักครับป้าก็ไปหาเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่อยบอกว่าสามีเขาทีเนี่ยเขาก็เกิดอาการซึมเศร้านะครับทําให้เขาคิดมากเนี่ยโดยความที่ป้าก็เป็นห่วงและเป็นเพื่อนบ้านกันก็ประมันไปหากันบ่อยๆรับ่อยๆอะไรเงี้ยจนสุดท้ายก็คือคือล้างล้างความเขาเรียกอะไรอ่ะล้างความรู้สึกของพี่หญิงคนนี้ก็วันไม่ได้ออืเขาก็ต้องจบชีวิตของเองด้วยการผูกความตาดไย ออืประมาณนั้นตอนที่ป้าเขาเขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นะั้นแหะตอนตอนที่บูรณาธิเนี่ยเขาเขาอุ้มศกมานะคะออเขาก็มัดผ้ามัดอะไรอย่างอย่างที่เราเห็นกันอืออออ๋ออ๋แล้วก็คืดล็อไปจนตรงจนลบหายหลบไปครับป้าเขาก็เหตุการณ์อย่างละเอียดให้ฟังนะครับจนจบวันนั้นจบแล้วเราก็กินข้าวเราก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยมไม่มีอะไรเพรเพราะว่าป้าเขาเล่าจบแล้วโอเคเราเรา เราก็ไม่ได้เก็บเรื่องนี้มาฝังใจไปคิทอะไร น, นะฮะจนตอนดึกเราก็คุยกันว่าเออไหนๆเราก็มาเยี่ยมป้าเราเราก็ค้างกันจะคืนหนึ่งก็คงไม่มีปัญหามาั้งหรือะไรเดี๋ยวรุ่งเชาเร า, า, เรากกลับบ้านอ <Ừ. S 2> เราก็ไปทาํางานกันต่อก็อยู่คุยกันจนดึกจนจ น, จนดึกในระดับหนึ่งป้าก็ขอตัวหนนอนนะครับผมกับเพื่อเนี่ยก็ไปนอนอ ย, อยู่ห้องห้องหนึ่ง <Ừ. S 2> ซึ่งอยู่ชั้นล่างของบ้านมันเป็นลักษณะเป็นห้องเก็บของแต่ คือเหมือนกับป้าเขาดูแลห้องดีมากมันไม่เหมือนห้องเก็บของพวกของไม่ค่อยมีเลยแต่แต่มันก็คือห้องเก็บของนะครับผมกับเพื่อนก็นอนกันอตรงนั้นด้วยความที่ว่ามันแตกที่ออืมผมมานอนนี่หละผมเป็นคนคนหนึ่งที่เวลาไปแตกที่จะนอนเรื่อยหลับมันจะกระสับกระสายย่ายยังไงที่ไม่รู้แต่ก็พยายามนอนไปเรื่อยเรื่อยจนเพื่อนผมเนี่ยหลับไปเรียบร้อยละนะครับนหะลับไปเรียบร้อยลกลารดึก นอืมจากที่กอง น, นอนเนี่ยผมอากาศมันรู้สึกมันร้อนๆนะฮะแต่พอมาถึงช่วงๆหนึ่งผมเริ่มเคลิ้ม ม, มันรู้สึกว่าอากาศมาันมันเริ่มเย็นลงอืมเย็นลงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรมันแปลกๆทําไมาอยู่ดีๆมันเย็นลงอืมนะฮะด้วยความรีดยังยังไม่ได้คิดอะไรก็อ น, อนอนแล้วก็หันตัวไปครับอ๋อ ไอ้ด้านข้างผมเนี่ยที่ผมนอนมันเป็นหน้าต่างออืซึ่งหน้าต่างเนี่ยมันสามารถมองไปถึงทะลุบ้านหลังนั้นได้ครับไม่ต้องแต่ใกายเลยครับว่าบ้านหลังนั้นที่ผมเห็นคือเป็นบ้านโอ้ยเป็นตอนนี้คือหมายถึงว่าบ้านหลังนั้นที่เราเห็นนี่คือมันถูกปิดไฟมืดสนิทถูกไหมฮะใช่ครับมันไม่มีคนอยู่แล้วแน่นอนไม่มีแน่แไม่มีแน่แนแต่ให้บังเอิญว่าไฟติดขึ้นมา บังเอิญว่าไฟอ่ะมันติดขึ้นมาติดมาจากไหนติดติดติดมาจากบ้านหลังนั้นแหละครับหมายถึงว่าเขามีการเปิดไฟในบ้านด้วยนะถูกใช่ผ่านหน้าต่างไฟมมันสะท้อนหน้าต่างออกมาด้วยนะคือไฟอ่ะมันลอดคือผมผมอ่ะไม่เห็นไฟแต่ชัดเจนแจ้งๆอะไรเงี้ยแต่ผมเห็นแสงไฟลำไรที่มันรอดออกมาจากบ้านหลังนั้นนะเอือความตกใจแล้วก็สงสัยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทําไมบ้านหลังนั้นอยู่ดีๆไฟถึงติดขึ้นมาครับเออผมก็เลย ยังไงที่ผมก็เลยพยายามย่องย่องขึ้นไปแล้วก็จีงไปดูตรงหน้าต่างว่าบ้านหลังเนี้ย ค, ค, คือยังยังไม่ได้คิดอะไรเลยครับผมคิดแค่ว่าบ้านหลังเนี้ยอจะมีคนมาดูแลต่อหรือเปล่าใช่ไห อ, อาจจะเป็นใครที่เข้ามาดูแลบ้านใช่ไหมครับปรากฏว่าผมผมมองลอดก็เป็นั่งหน้าต่างเลยเห็นหน้าต่างอีกบานหนึ่งซึ่งอยู่บ้านหลั ง, งนั้นผมาปีก่อนนั้นมันมีคนเดินอยู่ี่บ้านที่ปุยใช่ครับ คือมันเป็นเงาอะพี่แต่ผมไม่รู้หรอกว่าเงาเนี้ยผู้ชายเขาเดินช้าช้าเดินช้าช้าแล้วก็ทํามือเหมือนกับลูกหัวไป้งนะเหมือ น, นยี้หัวหรืออะไรสักอย่างออแต่เดินช้าช้าคือในนั้นนาทีนั้น่ะผมสงสัยว่าสงสัยคงจะเป็นสามีของเขาแน่ๆเลย อ่าซึ่งกลับมาแล้วเขาก็กแบบคงจะหูัวเสียหรืออะไรสักอย่างคือออพี่ที่ลองนิ่งผ่านนะครับคือเป็นหน้าต่างัะมีแสงไฟลอดลอดออกมาแต่มันไม่ค่อยสว่างมากแต่เป็นเงาของคนคนหนึ่งเดินช้าๆอยู่ตรงหน้าต่างเดินแล้วก็มือมันสีหัวเบาๆด้วยด้วยตรงหน้าต่างครับอ่ะอาจจะมีสิทธิ์เป็นไปได้ที่สามีเขากลับมาใช่ผมคิอย่างงั้นแต่เรื่องพอดีคิดอะไรนะครับ ผมก็ เ, เออรู้สึกว่ามันคงไม่มีอะไรมั้งแต่กําลังจะหันตัวกลับแลหน้าทีกําลังจะหันตัวกลับไปกลับปุ๊บรับพอไฟแบบปุ๊บผมตกใจแล้วอ่ะคือยังไงเนี่ยแล้วแล้วเขาย่งอยู่ในบ้านอยู่หรือเปล่าตัวของแล้วเขาปิดไฟออืก็มองเข้าไปอีกทีปรากฏว่าคือที่มันไม่มีอะไรเลยออืคือบ้านหลังเนี้ยคือกลายเป็นเงียบสงัดประทู บ, บ้านเนี้ยก่อนมันถูกล็อกจากข้างนอกหมายถึงว่ากุญแจ เป็นแค่ตึด้ต่เอ็กๆใมันถูกล็อกกับประตูลูกงครับอยู่ข้างนอกแล้วก็อตรงประตูที่จะเข้าไปในตู้บ้านเป็นประตูไม้ออืนะฮะก็เหมือนมันมีอะไรคล้องไว้อยู่ครับไรเข้าไปออด้วยความสงสัยและมันเริ่มกลัวละผมก็เลยกลับมานอนที่เต๊มแล้วก็ไปยังนอนที่ชิดเพื่อนเข้าไว้ด้วยความกลัวนะพี่นะในขณะที่นอนตอนนั้นคือเพื่อนเพื่อนหลับสนิท หักสนิทเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลนะครับผมก็นอนกับเพื่อนนอนแล้วพยามไม่คิดอะไรหันไปหาเพื่อนอย่างเดียวแล้วพยายามจะหลบสายตาจากหน้าต่างข้างๆตัวผมอ่ะคนนอนนะพี่รู้สึกเหมืนอนเคลิม้มๆไปผมได้ยินเสียงคนเดินอยู่ตรงหน้าตา่างอืมหน้าต่างเราหน้าต่างเราคือผมต้องกบอกก่อนว่าคือรอบบ้านเนี่ยมันจะมีพื้นที่ซึ่งข้างๆบ้านตัวเราเองเนี่ยแต่ละหรือแต่ละบ้า น, น่ยมันจะมีสนามหญ้าเล็กๆ ซึ่งมันเป็นทางยาวไปจนถึงอน้นาป่าเนี่ยครับอืมนะฮะในผมในขณะที่ผมนอนเนี่ยผมได้ยินเสียงคนเดินตรงสนามหญ้าเข่าต <c oughs> ั้ซุกซุกอย่างเีพี่อืม <c oughs> ดืวยความตกใจแต่ก็ไม่กล้าไม่มองก็พยายามฟังเสียงคนเดินเขาก็เดินซุกซุกซุกอยู่ตรงหน้าต่างอรัพี่อืมไม่ได้ไปไหนเลยนะครับนะฮะ คือด้วยความอยากรู้แล้วก็ขัวด้วยอืผมก็เลยหันกลับไปแล้วช้ามองให้อย่างละเอียดว่ามันคืออะไรกันแน่<ะ>พี่ตรงหน้าต่างผมเห็นผ้ามันเป็นลักษณะเหมือนผ้าผ้าที่คุมหัวพี่อ๋ออ๋อที่เป็นผ้าเปล่าไหมครับ<ะ><ะ>คือหน้าต่างเนี่ยมันสูกจากพื้นเวลาเราคนเรานอนเนี่ยมองลงไปนั้นหน้าต่างสูงมาเราจะเห็นแค่ระดับนึ่งครับเท่นั้นเอง ผมลืมตาติ่งๆเลยพี่แล้วมองเข้าไปที่หน้าต่างผ้าเป็นผ้าที่คุมอยู่บนหัวแล้วเดินผ่านหน้าต่างไปอันอนี้คือเขามาเดินผ่านหน้าต่างเราแล้วนะฮะถูกไหมห้าต่างเราแล้วครับไม่ใช่หน้าต่างใข่แล้วห น, น้นตาต่างเราแอ่าในใจแรกคิดอย่างแรกเลยคือขโมยคิดว่าเป็นขโมยใช่ต้เป็นขโมยแน่เลยาพราะผมเห็นคืองัอ้นจากที่เขาเดินเนี่ยเขาเดินไปครับ แล้วก็เดินกลับมามค่อยๆเดินอย่างาๆผมว่าขาโมยชัวร<ะ>์ปลุกเคพื่อนหามไปปลุกเคพื่อนขนาด น, นั้นเลยซึ่งก็ไม่ตื่นนี่ไม่ตื่นอนอนงูเงี้ยไม่ตื่นไม่ยอมตื่นโอเคด้วยความยี่กลัวว่าขโมยมันจะรู้ตัวครั<ะ>ผมก็เลยย่องไปที่หน้าต่างเพื่อหาตั้งหวาแล้วตะโกนออกไปในน้องตาต่างเลยออืในขณะที่เขาเดินกลับไปทางทางด้านหน้าบ้านนะทีบ คือเดินไปทางหลังบ้านใช่ไหมแล้วก็เดินกลับไปที่ไปที่หน้าบ้านอ่ะผมก็ย่องไปที่หน้าต่าอีกครั้งหนึ่งครับเขาเงนี้ผมค่อยค่อยหลีบหลืบตามกํากแพงแล้วมองไปที่ต่างๆที่สิ่งที่ผมเห็นอะ่ะก็คือเหมือนเป็นคนคนหนึ่งนะยืนอยู่กลางสนามตรงตรงตรงทางสนามเนแล้วแล้วมันมีผ้านี่ยคลุมทั้งตัวครับ เป็นผ้าเนี่ยคุมเหมือนเหมือนมันลักษณะเหมือนคนกลางเท้าพี่เข้าไหมอ๋ออ๋อเหมือนคนหนาวแล้วเอาผ้าเนี่ยคุมทั้งตัวอืมอืมแจะเป็นผ้าเนี่ยสีขาวหมดหมดครับสักพักหนึ่งมีเสียงเพลงที่เป็นเพลงสมัยเก่าโบราณมากเลยนะมันรอยมาตามลมครับพี่ตอนนั้นนดึกมากแล้วแล้วมันเป็นบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวซึ่งปั้ใจได้เลยว่าคือไม่มีใครมาเปิดเพลงอย่าเงี้ยครับคังดึกหรอกอ๋อ เออผมผมก็ไม่กล้าบอกบอกชื่อเพลงได้นะเออมันร้องร้องร้องจำเนื้อเพลงตอนที่ได้ยินนะตอนนั้นได้ไหมโอ้ขึ้นเลยพี่ข้าว้วยแก้วเป็นเทียนอะไรเนี้ยอ๋อสาวบานว่าใจเป็นเสียงร้องผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นเสียงร้องผู้ชายเป็นเสียงผู้ชายร้องเพลงนี้อยู่คือเหมือนเป็นอ๋อเป็นเพลงอ่ะที่ถูรู้รู้รู้รูู้อ๋อเปิดเปิดผู้ชายในเสียงผู้ชายดังลอยแววมาตามลมถูกครับโอ้โห ลอยแว้งมาตามเลยโอ้โหก้วยแกงแหงหอยางสาบานน่าใจหลักจริงอะไรเงี้ยออแล้วสักพักพอจบท่อนหนึ่งมันมีเสียงผู้หญิงร้องอีกท่อนหนึ่งนะพี่ออใจเีย็นๆคิดลวงอะไรเงี้ย เ, ออเท่าที่ผมจำได้นะพราออผมไม่เคยฟังเพลงนี้มาก่อนออือนสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องมันจบแล้วผมเอาเพลงนี้ยมาหาฟังออในขณะที่ผิดเสียงเพลงเนี่ยมันลอยลอยลอย่ลองมากลางเด็ดท่ามสายหลบมาที สักพักหนึ่งผมที่สเสดผู้หญิงร้องไห้อ๋อและเสียงนั้นนหะมาจากคนคนนั้นอ่ะที่ยืนแล้วเอาผ้ามาคุมหัวอยู่ครับคุมทั้งตัวอยู่ก็ค่อยๆสะอื้นพี่การร้องไห้ครั้งของผู้หญิงเนี้ยคนเนี้ยมันเป็นเสียงที่แบบมันฟังแล้วมันหนาวไปถึงแบบอหนาวไปถึงปวดใจหนาวไปถึงหูอืมอืมเหมือนเขาร้องไห้แล้วมีเสียงเอคกโค่ตามมาครับครับ ด้วยความกลัวผมโอ๊ยเอาไงดีขาการะเจ้าไม่ออกแล้วท่าทางเสียงเสียงเพลงอ่ะมันดับไปออืพอมันดับไปเสร็จผู้หญิงคนเนี้ยเขาหยุดร้องไห้ออืพอเขาหยุดร้องไห้เสร็จเหมือนเขาขยับตัวพี่แล้วเขากําลังจะหันหลังมาออืผมก็เลยรีบขานเข้าไปที่นอนของผมะแล้วก็นอนกุกกเพนไว้แนบกับเพื่อนสนิทเลยอนะครับด้วยความกลัวค ทันทำอะไรไม่ได้แล้วดิคือตอนนั้นแ่ะคือทั้งหนาวทั้งกลัวทั้งแบบฟังไม่หมดสิ่งที่ผมเห็นนั่นเปนคืออะไรใครมายืนอยู่แล้วใครมันเป็นผ้าอะไรอะไรของเมืองไม่หมดผมไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรครับแปหนึ่งที่เสียงเพลงดังขึ้นอีกครั้ง<อ>แต่คราวนี้ยเสียงเพลงมันเริ่มใกล้เข้ามาที่ตัวบ้านผมผมนอนอยู่เนาและฉักตันนั้นเสียงผู้หญิงเนี่ยมันร้อง และดังกว่าเดิมที่ผมได้ยินร้องไห้เหมือนเดิมร้องไห้เหมือนเดิมและดังกว่าเดิมที่ผมได่เคยได้ยินที่ที่ผมไม่ยืนแล้วได้ยินเขาร้อ ง, องอผมเริ่มผมเริ่มใช่ไม่ดีแล้วที่พอเสียงอ่ะมันอยู่ใกล้ผมมาก<อ>ผมก็เลยหันไปออืใจดีใจดีสู้เสือและหันไปตาต่างครั้งหนึ่งปรากฏเห็นร่างของผู้หญิงคนนั้นน่ะ นอนอยู่ตรงจริงจริงต่างคิดกับกำแพงที่ติดกันนั้นต่างก็ดีเลยคที่ท่านั้นอะ่ะมันเป็นผ่าห่อศพมันเป็นผ้าที่คุมผู้อยู่งานนั้นทั้งหมดข้า ง, งล่างที่นี้ก็ผ้าหรอกใช่ไหมคือโมโือในที่ที่เขาหอศพลาบกำลังลาบยามันเป็นแล้วก็ระต่างงันที่ยึดติดกับกำแพงที่ผมทำอะไรไม่ถูกกําลังจะร้องไห้แล้วอะ่ะ เขาหันมาเขาหันมานก็ก็หันมาแล้วเขาร้องเพลงในท่อนของผู้หญิงที่เขาร้อ ง, งจากนั้นผมก็ไม่รู้เรื่องอีกเลยครับคือเหมือนเหมือนน่าจะชอบแล้วสรุปไปเลย อ, อ <c oughs> เขาร้องอนนเขาร้องในท่อนของผู้หญิงคือเป็นเพลงเดียวกันเป็นเพลงเดียวกันเลยพี่เหรออีกจิงที่เขาลเล่นงประมาณเนื้อเพลงประมาณไหนนะคือเป็นเนื้อเพลงประมาณว่ม า, มาคือ เป็นผู้ชายกับผู้หญิงสองคนร้องเพลงกันแบบว่าประมาณว่าจะปราบานลักันจน่ำเลยแตอนนั้นที่ได้ยินตอนนั้นที่ได้ยินคือเขาร้องประมาณว่าผมจะหาเนื้อเพลงนี้อยู่อือผมจะทำได้ไหมอ่อ่อ่เอาที่มันเแกที่เราเล่าตอนแรกคืออะไรนะเพลงอ๋อคือใจยังเกลงใจยังเกลงจะชิดลุงล้อ โอเคลวงร่อหรืออะไรเงี้ยอืออวอแก้วเป็นพยาอันนี้คือเกี่ยวกับผู้ชายผมจำได้เลยโอเคโอเคดักไปพี่แล้วแล้วญิงคนนั้นน่ะเขาหันมาพี่คือหน้าเขาซีดแล้วก็หอบตาข้ำครับแล้วก็มีน้ํำขาวๆไหลออกมาจากตากอืมแล้วก็ร้องเพลงในท่อนของผู้หญิงที่เขาร้องอะครับผมก็สลุไปเลยหน้าก็สลุกนะพี่รุ่งเช้ามาก็คือรุ่งเช้าเลยครับผมเป็นคนคนหนึ่งที่ตื่นสายกว่าทุกคนในบ้านเนาะผมก็ ออกมาด้วยความตื่นตนกแล้วก็เล่าทุกทุกอย่างให้ทุกทุกคนฟังว่าเมื่อคืนนี้เกิดเหตุการณ์อะไรอื ม, อมเพื่อนก็ตื่นเต้นใหญ่เลยเพราะว่าเพื่อนไม่รู้เรื่องเลยเลยหลับสนิทหลับสบายมากมก็เล่าให้ป้าฟังครับป้าเขาก็บอกว่าป้าเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆนั้นเนี่ยในวันแรกที่เขาตายอ่ะป้าเขาก็เจอแล้วอืแต่เจอเป็นผู้หญิงคนเนี้ยมายืนอยู่บนหลังคา ยืนอยู่บ น, นหลังคาของบ้านเขาเองอนะพีะ่แล้วยืนแะล้วร้องไห้ครับทุกคนเน่ะในหมู่บ้านนี่อยู่นะั่ะคือทยอยออกออกเลยที่จะตากขายเพราะเขาอยู่ไม่ได้อืมผู้หญิงคนเนี้ยเขาจะมาติดต่อกันตสองคืนจนเข้าคืนที่สามขผมเข้าไปออืป้าด้วยความที่ถึงพวกผมเขาก็ไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเขาเจออืเขาก็กลัวว่าเราเราจะหลับไม่ไดแล้วก็ไปเลยอะไรเงี้ยครับไม่ได้อยู่กับแกเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออเนี่ย เป็นคู่สามีภรรยาึมาซือบ้านอยู่ตรงนี้ฮะอยู่คข้างบ้านป้าครับแล้ววันนี้คืนนี้เนี่ยสามีเขาหายไปอืมแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็ติดต่อไม่ได้หรืออะไรอะไรเงี่ยด้วยความที่ผู้หญิงเนี้ยเขารักสามีเขามากเขาก็เลยตอมใจซึมเศร้าเนี่ยอ่าเขาก็เป็นห่วงคอยไปดูแลเอาใจใส่ตลอดเาจนสุดท้ายแล้วก็คือเกิดเรื่องเศร้าขึ้นมาอืมผมก็ถามป้าบอกป้าเมื่อคืนน่ะพบได้ยินเพลงครับคใา้เปิดอ ปาได้ยินไหมปาบอกครับปาเขาไดยินทุกคืนจริงนะจริงครับเพลงนี้ใช่ไหมขออนุญาตคุณผู้ฟังคะับใช่ป่ะผมม่ได้ยินอะพเอ่อเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะเดนมาใชใช่ป่ะปิดเลยใช่ป่ะปิดเลยครับฟังนี่เลยฮะ้ายตายย โอ้โหโอโอเคหอมกระจาใจอมกระจายเดียวโับครับโอเคโอเคไปปิดแล้วไปแล้วไปแล้วขอบขอคุณครับโอ้โหคือป้าป้าได้ยินทุกวันเหรอป้าได้ยินทุกคืนนี่เขาบอกว่าเขาเล่าว่าเขาได้ยินทุกคืนเมื่อไรก็ตามที่เขาเริ่มหลับเนี่ยเขาจะดิ้นดิ้นเสียงเพลงเนี้ยครับดังมาก่อนแววแววจากนั้นเน่ยเป็นเสียงผู้หญิงคนเนี้ยหลอกให้อืมอือม เพ่ ม, มากมื่อแต่ละคนบอกว่าบางทีก็เจอบนหลังคา บ, บางทีก็เจออยู่หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เจออยู่ในตัวบ้านแล้วเปิดหน้าต่าออกมาแล้วเอามือเนี่ยล่อออกมากหน้าตา่างแล้วมือแบบปล่อยๆทีครับเอ่อบางคนเห็นหนักกว่าเขาบอกว่าเพลงเนี้ยยังไงอ่ะยังไงเพลงนี้ขึ้นมาเขาต้องรู้ว่าเขาต้องเจอแน่ๆดีบางคนไม่กลัวเขาก็เดินผ่านหน้าบ้านหลัรอย่างเงี้ยแต่เพลงเนี้ยยังแว่วมาเขาบอกเขาไปในป่านักพบว่เาเป็นผู้หญิงคนนี้ยเขากำลังผู ก, กอ่อตายเนาะ ปูคอตายแล้วก็ห้อยตองแต่งตองแต่งอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องไห้ไปด้วย อ, อืผมว่ามันเหมือน เ, ออเป็นเพลงเป็นเพลงสําหรับเขาอ่ะเขาอาจจะชอบเพลงเนี้คือมันอย่างนี้ครับพี่ออป้าเขาเล่าให้ฟังรายละเอียดว่าที่เพลงเนี้ยมันสําคัญกับเขาเพราะว่าเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่เขาร้องกู้กันในวันแต่งงานโอ้โหเออเออโอเคมีเหตุผลมีเหตุผล้ เออนี่แหละเขาถึงเขาถึงเมื่อไหร่ก็ตามที่เพลงนี้ขึ้นน่ะเขาถึงร้องไห้ออืผมเข้าใจอย่างนั้นนะพี่ป้าเขาบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เขาร้องคู่กันใานแต่งานอืแล้วมีความสุขมากนู่นนี้นั่นเขาเเล่าเคยเล่าให้ฟังแล้วเ้าก็เปิดเปิดเหมือนเป็นเป็นเทปอ่ะถึงแผนในการอัดเทปงานแต่งงานของเขาเองเขาเป็นร้องคู่กันจริงๆค่ะเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเพลงนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพลงน่ากลัวอะไรเลยนะแต่บังเอิญ มันอยู่ในเรื่องที่คุณคุณคุณบอยเล่ามา <Boy. S 1> พอคุณบอยเล่ามาเนี่ยพอพูดถึงเพลงเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมาผมก็เลยเฮ้ยอยากลองฟังดูว่าคุณบอยกําลังได้ยินอะไรนะตอนนั้นผมก็เลยให้คุณบอยลองเร้ยลองอ่ะพูดถึงเนื้อให้ฟังนิดนึงแล้วผมก็หาจนเจอเป็นเพลงเพล ง, เพลงนึงเป็นเพลงคู่นะฮะเพลงเก่าล้วเพลงเก่า ว, ว่าโอ้ เพลงเก่ามากคือเพลงหวานมากเพลงคือมันไม่หวานเพราะว่ามันอยู่ในปรรยากาศนครับครับโอ้เพล ง, งนี้นคือเพลงจีบกันเพลงรักกันเพลงคู่นะคแต่มันบังเอิญบังเอิญมันตรงกับชื่อเรื่องที่คุณคุณบอยเล่าด้วยนะคือมันบังเอิญมันมาอยู่ในในเรื่องนี้พอดีผมเลยขออนุญาตเปิดให้ฟังนิดหนึ่งว่าเนี่ยคุณผู้ฟังจะได้ได้ยินเหมือนที่คุณบอยได้ยินนะตอนนั้นะ่ะ แล้วบรรยากาศมันจะพาไปเมื่อี่ผมฟังแล้วผมขนลุกเหมือนกันซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพลงผีอะไรเลยนะมันถึงมันถึงเป็นเรื่องบังเอิญมองยังไงดีบังเอิญว่าป้าที่ถึงผมพอดีที่ถึงเพลงกอดีบังเอิญว่าข้างบ้านเขาปูกพ่อตายพอดีเมื่อสวันก่อนแรกเราเอิมื่อสามวันก่อนหน้าเราเออใช่และให้บังเอิญว่าเพลงที่เราได้ยินครับมันเป็นเพลงของเขาและบังเอิญว่าเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงของ วัน ส, สําคัญของเขาด้วยออคือทุกอย่างมันเป็นเรื่องบังเอิเเเญหมดเลยงานนี้เขาไปเจอในครั้งนี้โอ้โหเฮ้ยแล้วสรุปวันนั้นคือตัวของสามีไม่ได้กลับมานะ้วก็ไม่ได้กลับกับตาแตะนะอย่างเห็นเห็นตาเล่าให้ฟังนะครับว่าแววแววมีคนมาเล่าให้ฟังอีกทีว่าสามีเขาว่าไปนอกใจครับนะฮะแล้วก็เอาไปมีไปมีภรรยาหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ไมีกลับบาานมาอีกเลยครับ คุกบุชัยนะพี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนตึ่งแต่งงานกันได้ไม่นานทำไมเขาถึงทำอย่างนี้รับอืมผมว่ามันเป็นเรื่องของความความรู้สึกความรักอะนะฮะผมก็อยากบอกตรงนี้ว่าคืออย่างน้อยเนี่ยจริงๆนะความรักเนี่ยคำว่าความรักมันแค่สองคำเองแต่อย่าลืมนะครับว่าความหมายของมันมันมันแทนค่าสองคำนี้ไม่ได้อ่ะคือมันมากมายจน สมมนบาทีเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆมันลึกแค่ไหนฉะนั้นแล้วคนที่คนที่ต้องจะมีความรักอะบางทีมันต้องคิดอะไรยี้เยอะถูกต้องถูกต้องนะคือจะ บ, บอกว่ารักอะคือมันดีแต่ใช่รักให้เป็ น, นต้องเข้าใจคานี้ก่อนคือรักให้เป็นอย่ารักโดยใช้อารมณ์ใช่รักให้มีสติ เมื่อไหร่ที่เราถูกต้องเมื่อไหร่ที่เราใช้อารมณ์อย่างวันนี้ท้วนนะฮะขออนุญาตพูดเรื่องนี้ผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันว่าเป็นเป็นใครมีแฟนรายการผมท่านหนึ่งนะฮะเป็นน้องที่ที่คุยกันผ่านทาง facebook ก่อนหน้านี้นก็คุยกันมานานละแล้ววันนี้เขาทักผ ม, มอ่ะพี่แจ็สบายดีไหมก็สบายดีจ้าหนูอยากมีเรื่องปรึกษาพี่คุยกับหนูได้ไหมบอกได้มีเรื่องอะไรผมก็รอบให้คําปรึกษาเนี้ยหนูเครียด หนูจะฆ่าตัวตายบอกเฮ้ยท mm ําไมอ่ะท uh, ําไมต้องต้องต้องคิดจะฆ่าตัวตายมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเขาเขาผิดหวังในเรื่องของของความรักผมก็เลยผถามเข้าไปสั้นๆว่าเอผิดหวังในเรื่องของความรักเนี่ยแล้วไม่รักพ่อรักแม่เหรอใช่เขาก็ตอบมาเหมือนว่ารักผมก็เลยให้คําตอบไว้ว่าถ้าเอคิดว่ารักพ่อรักแม่ ไอ้เรื่องค่าตัวตายเนี่ยมันต้องเอาออกไปจากหัวก่อนถูกต้องเลยพี่เพราะว่าถ้าเราค่าตัวตายคนที่จะเสียใจไม่ใช่คนที่เราเลิกไปนะแต่คนที่เสียใจที่สุดคือพ่อและแม่เราถูกต้องเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่มีปัญหาเรื่องของความรักผมแนะนําคืออย่าไปคิดค่าตัวตายผมว่าโทษนะฮะขอใช้คํานี้เข้าใจคําว่าคำความรักมันยิ่งใหญ่แต่ผมว่ามันไร้สาระจริงครับ นึกถึงคนที่อยู่ข้างหลังเราจริงๆนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องคนที่เขายังห่วงเราจริงๆริงอ๋อคนที่มาเป็นแฟนกันคนที่มาเจอกันผมว่าลองคิดง่ายๆคือถ้าวันหนึ่งมันไม่ใช่เนื้อกู้กันอะ่ะคิดว่าเป็นแค่คนคนหนึ่งที่วันหนึ่งเราบังเอิญมารู้จักกันแล้ววันหนึ่งเราบังเอิญก็ต้องแยกย้ายจากกันไปแค่นั้นเองใช่แต่คําว่าพ่อแม่เราอยู่เข้ามาตั้งแต่เกิดนะฮะ ครับเถูกถูกใช่เลยคคือถ้าความรักถ้าความรักที่มีการฆ่าตัวตายเข้ามาด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระใช่คือบางคนอาจจะมองว่ามันยิ่งใหญ่บางคนอาจจะบูชาเรื่องแห่งความรักแต่ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมผมคิดว่ามันคือเรื่องไร้สาระถูกถูกถูกถ้าเกว่ามันมีเรื่องฆ่าตัวตายหรือเรื่อที่มันไม่ทําให้เราคิดให้มันเป็นจริงครับอย่างล่าสุดในเฟซบุ๊กในเพื่อนผมคนหนึ่ง ผมเห็นเป็นเป็นเพื่อนผมอยู่จากผมอันเฟนเพื่อนไปแล้วล่าสุดล่าสุดอกหักเอามีดคัตเตอร์ขีดแขนตัวเองจนมือแบบมันมันแหกออกมาผมเห็นภาพมัน้น<ว>ผมไม่คุย<ว>ผมไม่อะไร<ว>ผมอันเฟนทิ้งเลยนะคือผม<ว>มองว่าเขาไม่มีสติ<ว>เขาไม่มีสติออไม่มีสติยงา ง, งไงผมว่านะ ต้องมันมันมันไม่ได้แลกอะไรกับทุกอย่างล่ะครับถ้าถ้าถ้าเอาความรักไปแลกกันแบบเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช้ใชนใชผนทางของชีวิตที่แท้จริงครับจริงๆริแล้วความรักครับมันเกิด ม, มาตั้งแต่ต้นที่เราเกิดแอืมถูกไหมถูกต้องเรามองว่าความรักของเรามันคือความรักของพ่อและความรักของแม่ครับสิ่งเนี้ยยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเราครับถูกต้องฮะคือยังไงก็แล้วแต่ ถ้าบังเอิญเราต้องผิดหวังทุกคนเป็นหมดนะฮะผมก็เ ป, เป็นหมดครับใช่ใชใครไม่เคยผิดหวังในเรื่องของความรักผมว่ามันแบบอันนั้นอันนั้น ผ, ผิดปกติแล้วอ่ะผิดปกติแล้วอะผมว่าเป็นปกตินะเนี่ย <c oughs> ครับคือทุกคนต้องผิดหวังในเรื่องของความรักเป็นเรื่องปกติมันคือประสบการณ์แต่ที่สําคัญเรามีสติอย่าคิดทําอะไรวู่วามโดยขาดสติอย่างเด็ดขาด นะนึกถึงหน้าคุณพอ่อคุณแม่ไว้อย่างเดียวครับคนที่เสียใจที่สุดไม่ใช่แฟนคนุณคนที่คุณเลิกเขาไปนะพ่อแม่นะฮะลองคิดดูว่าหัว อ, อกท่านจะแหลกสลายขนาดไหนที่ลูกคนนึงเราเลี้ยงกึบมาโตจนวันหนึ่งแบบไปรักกับคนคนหนึ่งแล้วอกหกักผิดหวังเรื่องความรักแล้วมาฆ่าตัวตายเอาเฮ้ยแล้วพ่อแม่อเขาเสกจิดยังไงเขาจะอยู่ยังไงแล้วเขาจะเขาจะทำทำใจได้ไหมก่อ คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาอะนาดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมก็อยากจะบอกว่าคือมันเป็นเรื่องปกติเรื่องของการพบกันเจอกันเป็นเรื่องปกติฮะชีวิตคนเราต้องดําเนินต่อไปใช่อ๋อแลแ<ต>้วผ ม, มจะมผมจะสีเรียสมากเลยคนที่จะฆ่าตัวตายเพราะเรื่องความรักเนี่ยคือไม่รู้เผม ผมไม่เห็นด้วยอ่ะเออใชผมก็ไม่เห็นด้วยนะเออผมไม่ชอบอ่ะพูดง่ายๆ่ายนะครับอ่ะคุณบอยเราคุยกันมาพอสมควรแล้วก็ได้บทสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอาจจะอ่าพูดแล้วมันมีเขาเรียกว่ามีฟิลลิ่งซะหน่อยมีนิดๆเพราะฟังแล้วมันมันผมก็เข้าใจนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่เวลามีความรักผมก็จะบูชาในเรื่องความรักแต่ถ้าวันหนึ่งเราไม่สมหวังอ่ะเราต้องต้องอยู่กับมันให้เป็นอ่ะ เออนะเอออะโอเคได้ครับคุณบอยนั่นคือเรื่องของเรื่องมันบังเอิญนะคุณบอยหน้ากลัวหน้าขอบคุณมากๆคุณบอยขอบคุณครับพี่แจงคครับสวัสดีครับสุขภาพดีนะพี่เช่นเดียวกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ